เรื่องพระวกคค리เทระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเ ว, วรุวันทรงปรารบพระวกคค리เทระดังได้สดับมาท่านวกคค리เทระเกิดในสกุลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีเจริญวัยแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จบินถบาทและดูพระสรีระสมบัติของพระศัสดาแล้วไม่อิ่ม ด้วยการเห็นพระสรีระสมบัติจึงบวช ด, ด้วยเข้าใจว่าเราจักได้เห็นพระตถาคตเจ้าเป็นนิทยาการด้วยอุบายนี้ดังนี้แล้วก็ยืนอยู่ในที่สามารถเพื่อจะลายเห็นพระตถาคตได้ละกิจวัตรทั้งหลายมีสัทยายและมนสิการในพระกรรมฐานเป็นต้นเที่ยวมองดูพระศาสดาอยู่ พระสัสดาทรงรอดูความแก่กล้าแห่งยานของท่านอยู่จึงไม่ตรัสอะไรต่อเมื่อทรงทราบว่าบัดนี้ยานของเธอถึงความแก่กล้าแล้วจึงตรัสโอวาทว่าวกัลิประโยชน์อะไรของเธอด้วยการเฝ้าดูกายอันเน่านี้วักกัลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคต ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมแม้พระสัสดาสอนแล้วท่านก็ไม่อาจละ ก, การดูพระสัสดาได้พระสัสดาทรงดำริว่าภิกษุนี้ถ้าไม่ได้ความสังเวชแล้วจะไม่ได้ตรัสรู้เมื่อการเข้าปัญษาคือวัาสูปนญยิกสมัยเข้ามาถึงแล้วทรงขับไล่ท่านด้วยพระดำรัสว่าวักกะลิเธอจงหลีกไป ท่านวักกลิเสียใจคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยชีวิตของเราจะโดดภูเขาตายเสียดังนี้แล้วจึงขึ้นไปบนเขาคิดจะกูดพระศาสดาทรงทราบความเมื่อยล้าของท่านแล้วทรงดำริว่าความทำความปลอบโยนพึงยังอุปนิสัยมรรคและผลจึงทรงเปล่งพระรัศมีไปแล้วแสดงพระองค์ให้ปรากฏ ลำดับนั้นท่านเห็นพระศาสดาแล้วความเศร้าโศกได้หายไปแล้วพระศัสดาเป็นประดุจว่าหยางสะที่แห้งให้เต็มด้วยน้ําพระศัสดาเพื่อทรงหยังปีติและปราโมทให้เกิดแก่พระเถระจึงตรัสพระคาถาว่าภิกษุผู้มากด้วยปราโมทเลื่อมใสแล้วในพระพุทธศาสนาพึงบรรลุสันติบทคือบทอันสงบ เป็นที่เข้าไปสงบสังขารเป็นสุขครันตรัสพระคาถาแล้วทรงเหยียดพระหัตตรัสพระคาถาว่ามาเถิดวกักลิเธอจงดูพระตถาคตเราจะยกเธอขึ้นเหมือนบุคคลพยุงช้างที่จมอยู่ในเปลือกตมขึ้นฉนั้นเหมือนบุคคลที่ช่วยพระจันที่ราหูจับฉนั้น ท่านยังให้ปีติอันุแรงกล้าเกิดขึ้นแล้วเราได้เห็นพระทศพลแล้วและพระองค์ทรงเรียกเราว่ามาเถิดจึงคิดว่าเราจะไปทางไหนน้อแลเมื่อไม่เห็นทางไปจึงเหาะขึ้นไปในอากาศเฉพาะพระพักพระทศพลเมื่อเท้าตั้งอยู่ที่ภูเขานั้นแหละนึกถึงพระคถาที่พระศัสดาตรัสข่มปีติได้ในอากาศนั้น และบรรลุพระอารหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วถวายบังคมพระสัสดาได้ลงมายืนอยู่ในสำนักพระสัสดาแล้วครั้นในการต่อมาพระสัสดาทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสัทธาวิมุตติคือการหลุดพ้นด้วยศรัทธาดังนี้แหละ